เขาทุกทุๆคนครับทิ้งไว้ตั้งใจฟังเนรทุกๆคนต้องตั้งใจฟังแล้วก็ญาติโยมทุกๆคนตั้งใจฟังเนี่ยข้าวไม่ดับเขาออกก็คือการถ้าหากเขาตั้งใจฟังแล้วนําไปปฏิบัติมันสะดวกสบายคล้ายๆคือเป็นโครงสร้างอนนให้มันเป็นรูปเป็นรางขึ้นมา เขาบุบ้านแปลงเหือนเขาถ้าหักพื้นฐานดีลงหลักตรงเทมดีบ้านหลังนั้นผนทานดีเป็นว่าบ้านหลังใดบ่มีโครงสร้างบ่ลงหลักบ่ลงเ็มสมมุติตึกเง่้ยงหนั่นแตกราวพังไปอันนั้นแสดงวา่าบ่ได้มีโครงสร้างโครงสร้างดีกัน บ้านหลังนั้นคนทานดีเฮาก็คือกันการปฏิบัติธรรมาให้มันเข้ารูปเข้าลอยบนนม้นสิให้ไปตามอารมณ์ให้ไปตามความเห็นให้ไปตามความคิดอ น, นันใบดบ็ใดมันเให้ไปตามอารมณ์ตัวแล้วเด้งให้ไปตามความคิดโตแล้วเด้งให้ไปตามความเห็นโตแล้วเด้งบ่นั้น เพิ่งจังหวะให้ฟังเสื้อฟังคําแนะนําของบุคคลผู้เป็นทางเขาจึงจ้างกันปลูกบ้านเจิงเขาจ้างกันให้ออกแผนออกแผนบ้านหลังนึงราคาเป็นหมืน่นคุณเขาจะจ้างกันและบนี้สร้างที่ไปปลูกก็ต้องเตามแบบตามแผน น, นั้นผิดแบบผิดแผนอันนั้นก็ต้องมา เสียเงินเสียท้องซึ่มแล้วมันขาดทุนผู้ไปประมูลก็ได้บางคนบางคนเขาได้กาไรกับเพราะว่าสร้างนั่นแหละเฮ็รบริบทกับแผ่นของเขาเข้ามาปฏิบัติธรรมะนี่ก็เช่นเดียวกันฝึกหัดได่อ น, นอันนี้แหละฝึกหัดทำอิ้ต้องฝึกหัดรู้ ก, กายรูร้สะค้อนให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยอาการกราบการไหว้ การทำวัดเศ้าทำวัดเย็นนี่เป็นการฝึกหัดอ น, น, นอนตื่นเมื่อเศ้าออกมาเดินจม ก, ก้มอันนี้เป็นการฝึกหัดบุญแดงที่ว่าอยากเฮ็ดเราเฮ็ดอยากไปแล้วไปอันนั้นบุญมดงบุญผู้นู่นแรงก็คือกันอาบน้ําแล้วก็เดินจมก้มเนี่ยที่กลบวาให้ฟังอันนี้เป็นการฝึกหัดรูปกายภายนอกให้คนเห็น เมื่อเราฝึกหัดโู ก, กายภายนอกให้คนเห็นเป็นระเบียบเรียบร้อยแป่ี้ยวโขงสร้างลาภฐานมันกะดีขึ้นมันจะเป็นนิสัยเถิงเวลาเฮ็ดแล้วมันกี่เฮ็ดเถิงเวลาทำแล้วมันก็ทำเพราะมันติดได้เขาเขาแอบอย่างใดมันเป็นดังสันคนเขาแอบดีมันดีแอบบ่ดีมันบ่ดีคนเขา ก็ย่อฝึกหัดดัดนิดสัยให้เป็นดัดเป็นส่วนให้มันดีมันงามขึ้นมาถ้าหาเขาทุกคนดัดแปลงตัวเขาเลีองซีโครงสร้างของเข า, า, าเลียงซีพระเนนทุกองคเห็นเขาเจ้าเบิ่งค่อยค่อยเบิ่งเจ้าญาตโยนทุกคนเห็นเขาเจ้าเบิ่งค่อยค่อ ย, อยเบิ่งเจ้ามันมีความละอายถ้าหาเขาบริสุทธบุทันขับมู่ ที่อยอวานี่อันนี้มันเป็นแบบแผนเปียบให้ฟังว่าบ้านหลังใดจ้างซ่างเขามาออกแผนให้ <c oughs> แล้วก็จ้างนายร่างมาเบึ่งดูแผนนั้นมักแล้วเ น, นี่ก็ต้องทำรถคันบ่มักนายร่างผู้ออกแผ่นก็แต้มใหม่อีกเติมเขาคิดเงินกันว่า บมบู้จักแต่กรอนไปอยู่กรุงเทพโดยบูรหุจักอาจารย์ที่ต่าง่าโอ้โหงสร้างมันเป็นยังไีเดีสร้างโค้งบ้านเฮามีแต่ปลูกบ้านแตงเฮือนได้เสาไม่แล้วก็ฝังเสาให้มันแน่นแล้วก็เอาไม้ข้าวไม้คางมาตีแท้มันแน่นบ้านหลังใดขันบกฝังเสาดีกระเนิงดือดเดียดกับได้ปลูกใหม่แปลงใหม่เนี่ย อันเอามาปฏิบัติธรรมะนี่ก็คือกันให้รู้จักเวลาให้รู้จักการรู้จักงานฝรื่ขขนุ่งผ้าผมได้ยี่ต่อไปนุ่งผ้าต้องนุ่งให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยขุมผ้าก็ขุมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมันก็น่าดูน่าสมจังว่าบุญเรื่องยังอันนี้เป็นวิธีฝุกให้คนเห็นส่วนจิตใจบ่นเนี่ย เราต้องปฏิบัติจริงจริงจังๆเรื่องแรกเราปฏิบัติให้รู้รูปรู้นามสักก้อรู้รูปรู้นามดีแล้วเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนไปบนแม้นที่มาจําเอาซื้อ อ, อ, อ น, นี้เป็นว่าให้ฟังว่าเป็นสูตรสําเร็จคําว่าสูตรสําเร็จนี่มันมีแล้วมันสําเร็จตัวมันอยู่แล้วแต่เราบวทําทให้มันสําเร็จขึ้นมา คันมาสําเร็จกะหมายถึงคือ เ, าเอาเพชรเอาทองคําจมด้วยในตมในโคนพุ่นมาลอนออกให้เป็นเพชรล้วนๆเป็นทองคํำล้วนๆเอาไปขายราคาดีคือกันจะเพชรอยู่ในตมในโคนพุ่นทองคําอยู่ในตมในโคนพุ่นอันนั่นก็ดีคือกันแต่โบเอาออกมาใสอันเฮาโบาเอลออกมาใสคือเฮาโบ้าจากคนดีความงามของเฮา คือเฮาหู้จักคุณค่าของเฮาให้หมดใจเฮาหู้จักจะแบบโลกโลกผู้เห็นมาว่าอยังให้กูเก่งน <c oughs> <c oughs> ี่ม <c oughs> ันว่ากูดีนี่กูเรียนมาแล้วแหน่ผิดแล้วพ <c oughs> คนว่าคนได้รู้ธรรมะแล้วเสื่อฝังคน <c oughs> อ่อนน้อมถ่อมตนรู้จั ก, จกเคารพสถานที่ <c oughs> อย่างสถานที่ของเรา <c oughs> คนมาเบิ้งหนะ <c oughs> ้าเคารพก็ถือเคารพโลก น่านับถือรอดแต่ความจริงข้าเจ้าก็เห็นข้ารบนับถืออันนี้มันเป็นภายนอกเพื่อนเฮารู้จักธรรมะแล้วข้าลบนับถือไหว้ตัวเองที่เดชผมยกมือไหว้ตัวเองได้ตอนเศราครับเพราะผมรู้จักเรื่องนี้มีหมาว่าสู้มู่สู้เพื่อนฝั่งพยายามข้จริงๆ ปีนี้สำหรับพระเนรเขาออกประตุงภูให้ได้ทำวัดเสวาวัดเย็นวาให้ดังญาติพี่คิดว่าเราจิ้มไ่ได้เป็นหัวหน้าคนถ้าเราดีแล้วเป็นหัวหน้าคนได้ทันทีถ้าหากเราอ่อแอะเ ง, ะ ง, ะงะาะแงะไม่เป็นหัวหน้าคนได้บ่มีดีอยากเทือแล้วคนผู้หันของบ่ฝึกหัดตัวเองเนี่ยงานใดก็ไปเดินทุดงเนี่ยไปประกาศ ไปนํำมู่แล้วไปเดินทุดงหมายถึงอันใดเขาจีบุได้รู้จักหมายถึงการขัดเกลวขวมซัวเขาเอื้นกิเลสอันกิเลสเราะอื้องขวมซัวควมซัวยู่ที่ใดเขาพยายามเตาะแตะมองให้ไม่เห็นโตเฮาเนี่ยนั่งอยู่ที่นี่ก็เห็นในเหนตุโตเฮาเฮาเห็ดซัวเขาก็เห็นโลทันทีเฮาเฮตุดีแล้วก็เห็นโลทันทีเพราะมันยู่ที่เฮา บ่มีผีบ่มีเทวดาบ่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดมาทำให้เฮาถ้าหากเขารู้จริงแล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องเขารบพระธรรมนี่เขาว่าที่เป็นแล้วด้วยที่กำลังเป็นอยู่ด้วยที่กำลังจะมาตัดสรู้ข้างหน้านี่นนก็คือกันต้องเขารบพระธรรมนี่พระธรรมการพระทํางานพระพูดพระคิด โตเฮาเนี่ยทําให้เขาเป็นพระเนี่ยเกี่ยวกับให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยตั้งเขา้าตั้งโลงลงลากลงผ่านพีนต้องพยายามผิดกันจริงจริ ง, งเทิงเวลาก่อนหน้าดูน้าสมเน็ตฟองสามมือมานี่เป็นรูปนึงแล้วได้ดีนเนี่ยเขามาฝึกหัดกันถ้าหากบ่ฝึกหัดกันแล้วก็ตั้งโคนตร้างเฮ็ด์ตั้งโคนตังต้งไปแล้วมันก็บ่คือพระพุทธเจ้าวานัน่นแล้ว พุทธานุพุทธังสมามะสีลาทิฏฐิมันก็บุคือะผู้ตัดสู้ตามพระพุทธเจ้ามีสิลและทิฏฐิเสมอกันเนี่ยเอาวะมีสินคือกันมีทิฏฐิคือกันคำวมาทิฏฐิเด็กคนเอื้นห่วมเห็นค่วมเห็นแบบพระพุทธเจ้าเพื่อว่าฝึกหัดเอาว่ากันสังฆคุณ น, นั้นเขาว่าซื่อฟื้นว่าแจปากขันว่าแจปากนํามันได้ผลน้อย ว่าแล้วทำตามมาได้ผลดีอย่างพุท ธ, ธานุพุธทธานี้ก็คือกันอย่าว่าแต่ปากให้สำนึกยู่เสม อ, อว่าเมื่อกี้นี่ก็ัาสธธาะาสัทธาช่วดทำวัดเตากันเนี่ยัท ธ, ธาผูใ้ใดตั้งมั่นย่างดีไม่วันไหวเงว่าอย่าไปวันไหวต่ออารมณ์ภายนอกแล้วกร บ, บทหนึ่งพูนสวดไว้พุทธสโลกธรรมเมหิจตังญาณนะกัมปติ อโสกังวิลสังเอมังเอตมังคะละมุตตังมังจิตี่ย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายในคุณว่าพุทธานุพุทธังจิตของผู้ใดตั้งมั่นนย่างดีไม่วันไหวต่ออารมณ์ภายนอกหรืออารมณ์เขาจิตมันย่องสมเขาก็ตั่างบ่วันไหวเพราะเขาเห็นพระธรรมแล้วนี่ อันนั้นแหละคือจิตใจของพระพุทธเจ้าอาโศกกลางเป็นจิตบอโศกเศร้าเป็นจิตบอเศร้าหมองอโศกกลงมันเป็นนางสันมีอยู่ของทุกคนนัดบอกว่าผู้หญิงบอกว่าผู้ทายบอว่าพสององค์เจ้าอันเป็นเพชรเป็นทองคำํำมันได้มียุให้แล้วเฮาหักโบเบิรนตัวเขาไปเบิร์แต่ผู้อื่นพูน ผู้เดวายังให้เหาแล่นไปคุบอารมณ์เขาพ้นเลยมันเป็นไปอย่างนัก็เลยเป็นจิตเศร้าหมองเป็นจิตคุ้นงัวไปซะนี่เป็นแต่โจจิตแท้ๆมันบคุ้นหมอนบกเศร้าหมองคุณว่าคุณอาจตกกลางนี่ละช่างว่ากันคุณว่าเป็นจิตที่ไก่จากธุรีคือน้าที้ต่อมผมว่าเนี่ยขาเห็ดน้ําหอยตีงวดตีงวยเขาเขาเอาน้ำคุ้นน้าที้ต่อมบนน้ําคุ้นบนน้ําที่ต่ม ที่ต้มที่คุณนั้นต่างหากอันมันมาให้ให้น้ำคุณแต่ควรจริงน้ำกับตนมันอยู่นํากันได้คนว่าอย่าง่นแต่เหาหักบเบาออกมาใส่มันมีแต่เว้าซื้อๆวานะงเ้านั่นจีว่าเบาลอยคําพันคํามื่นคําแสนคําสู้การกระทําการเห็นแจ้งรู้จริงขั้งเดียวบาได้คนว่าคนว่าอย่าง่นเอตัมมังคลมามุตตัมมังคนว่าอสศุกกลางนัดสั่ง เอตามมังก์วิรตังเป็นจิตไปทุรีโนวิรัตตังเป็นจิตไปธุรีมันโมมีคนวาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าคนวาไว้อันนี้แหละเป็นมงคลของมนุษย์เทวดาทั้งหลายคนวายจิตเสียยางนี้ผู้ได้ทำให้เกิดให้มีในตนแล้วไปใส่มาใส่ใบหนีทุกไม่มีความเบือดร้อนคนวานเดี๋ยวนี้เฮามีแต่เวา มีเจ้าไปสวดเรื่องอันนั้นไปสวดเรื่องอันนี้โตจริงเขาเลยบ่เอามาพูดเอามาสอนกันมันก็เลยบ่ได้รู้บ่ได้เหต็นโตจริงมันเป็นอย่ารจังว่าพวกเหาพระทุกองเลนทุกองแม่ข่าวแม่ดําทุกคนอยู่ที่นี่ต้องฝึกหัดออกไปเป็นครูให้มันได้อย่าสูว่ามาฝึกหัดมารอปะแพ้บ่ถึงหานี่แหละฝึกหัด เบื้องแรกต้องสุกอัดรูปกายสัก้อนให้มันเป็นโครงสร้างคืออย่างปลุกเหือนนี่แหละฝังเสาให้มันดีแล้วก็ตีข่างวางตัวให้มันแน่นหนาเหล็กตะปูห้าตะปูตีอย่างพุกนักสร้างบอกใส่น็อตขันเข้าย้ายมันใายมันส่งขันเอาเหล็กตะปูน้อยๆตีใส่แล้วมันละใายแล้วส่งเงินมันละโบ้ทเหมือนกับโลมพางไปโลดนี่ ก็เลยความมั่นคงของเหาก็เลยกีบบ่ดบีคนอื่นมาเบิ่งเหาก็เลยกีบวยเห็นบอลดูบอลส่งเพราะเหานี่เองทําดีทําตัวอันนี้เป็นการฝึกหัดทุกองค์ต้องฝึกบ่ฝึกบ่ได้อยู่ที่นี่ปีนี้มันเจ้าโฮมกันอย่างนี้เพราะว่าระยะส่องตามปีนี่เขาออกไปถึงขูดได้โหลดเดี๋ยวนี้ก็เป็นได้ถ้าฝึกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นได้ทันทีย่าเอานี่ใส่เดินเดินมาเห็ด อย่าเอานิสัยเดิมๆมาเอาอย่าเอานิสัยเดิมๆมาคิดเป็นคนพูดมากทำมากลักการรักงานอันนี้เป็นวลลักษลักไปวักคิดถึงบนเร่องักผู้หญิงบนเรื่องักผุ้เหนื่อยผู้มาลักการรักงานลักเวลาลักหน้าที่อนี้จุดวัดถึงเวลาค่ะต้องคิดถึงรถสิ่งอื่นๆเอาไว้สักก่อนเอาให้มาขอแล้ว สร้างกองกระถิ่นสร้างโบสถ์สร้างสลาการปลีนสร้างถนนหุนทางดีแล้วอันนั้นให้ทานรักษาสินจินเจนดันดีแล้วแต่ว่ามันแก้ปัญหาตัวเองบ่ได้ย่างย่านถีย่านเทวดาย่านบาปย่านบุญย่านไปตตกนรกอันนั้นมันแก้บ่ได้มีความสงสัย ในหลักพระพุทธศาสนาอยู่อันนี้มันจะแก้ปัญหาได้ถ้ารู้จักอย่างผมวานี่รู้จักจริงเป็นยังไพี่คือคนทาตั่วผู้ซัวคิดตัวเขาเอื้นบักผีเนี่ยมีตาทิพเห็นอย่างซีบมนี่ตาทิพไปเห็นเลขเห็นบัตรเห็นเบอเห็นเม็ดเห็นเม็ดตายบุญเรนอันนั้นตาทิพ น, นี่ท่นผู้ยิงทาตั่วผู้ซัวเขาเอื้นอีผี คือผีอว่ า, างันถ้าพระเนนองค์ใดทําสัวปูสัวกิดสัววายากแบาพระองค์นี้คือผีเนรองนี้คือผีเ น, อนอเนี่ยเคนวายาสัน้นขอหักบุญจากเขาวานน้ำพ่อหนําแม่เขามาแต่แข้งขาดหน้าตามือเท่านั้นเป็นขนใจมันเป็นผีใจมันเป็น เ, นเตจใจมันเป็นพญามารใจมันเป็นสัตว์ดีรสารตาเห่าโบเห็นได้จับโบถูกด้วยมือ มองบ่เห็นด้วยตาเห็นด้วยตาทิพย์พ อ, น, อนวัตทิพพระจักรสูตาทิพย์พนอ์นทิพพระจักรสูมันวันนี้จักขุอินรีพจ น, นสต่างว่าถ้าหากปราญาติโยมทำดีพูดดีคิดดีเดีวเขาเอิญพระทำพระทำการพระทำงานพระพูดพระคิดเดียวือิญพระทำ ถ้าส่งผู้เสื้อฟังคำสอนของพะระพุทธเจ้าแล้วประพฤติปฏิบัติตามนี่เราเป็นพราส่งโดยส ม, มุดพันถ้าแท้แท้ด้านนี้นอยู่ในใจของทุกคนเลยที่ผมว่าฟังแล้วัางทีรล้วจำได้โลดอันนี้เป็นการฝึกหัดดัดมิตใสสันดาลของเราให้มันดีขึ้นเมื่อเราดีแล้วนะ่ะไปไส้ก็มีคนอยากได้อยากพบอยากเห็น่นคนว่า เมื่อคนไปใส่เือเขาไปใส่แล้วคนพบหน้าเห็นตาเขาแล้วจุ้ยสุภจุ้ยปากบานผมจนจุยศุภจุยปากโบยักปากโอยักวอลเขาเบื่อวะเขาเบื่อ เ, เขาโ บ, า บ, ออบยักเว้าน่ะให้เขาสำนึกอยู่เสมอคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าคิดถึงคุณของพระธรรมคิดถึงคุณของพระสงฆ์เอาพระพุทธเจ้ามาไว้กับเขานี่เอาพระธรรมมาไว้กับเขานี้ เอาพระสรงอะไกับเขานี่พุทธว่าเอาอาดีตเอาอนาคตเอาปัจจุบันมาไว้กับเขานี่ให้เมดอันอดีตซาดแล้วซาดก่อนเอย่ า, อามาเวาเทือ่อดีตเมื่อวานนี่ก็เอาอยามาวาเวือ่เหมันแล้วไปแล้วมันแก้บวได้อนาคตเมื่ออื่นก็ทําสร้างปีหน้าก็ตามซาตดหน้าก็้างมันจะแก้ปัญหาของบวได้อั น, นแก้ได้เฉพาะปัจจุบันเนี่ยอ้พระอยู่พุทว่ามันบวดีเราเลิกโลดังเสีย นุ่งผ้าแบบนั้นมันบูถูกหลักษณะพระพุทธเจ้าสอนก็เลิกโลดมานุ่งแบบมันถูกขันคมผ้าแบบนั้นมันบูถูกหลักษณะของพระพุทธเจ้าสอนก็เลิกโลดมาเฮี่ยงคืนมู่นั้นคนว่าตัดตาลูตามพระพุทธเจ้ามีศีลและทิฐิตเสมือกันทุกคนนี้ให้คือกันกับงามขึ้นโลดเป็นรูปเป็นลางเป็นโครงสร้าง คนมีผู้มาพบเห็นไอเฮานี่แหละเห็นกันเปนผู้อื่นแล้วบัดนี้ญาติโยมมาจากข้างนอกมาเห็นโอ้น่าเลื่อมใสเว้ยพระเนนอยู่ทับหนขวดแหนกเขาจะว่าเอ็งบนนม้นผู้นั้นผู้นี้เนี่คือกันเลยบนนั้นผู้นั้นเฮ็ดจังสันผู้นี้เฮ็ดจังซีมันก็ไปกันไปงางกับกัเตะแข่งเตะขากันไปสนระโว่กันงางกัน ตามหลังกันไปคือตัวพวกตัมดใน่นวัว่ามีอันใดห่วงหน้าห่วงตะกัดตัวมดแต่ตัวพวกหลองเขาเอ า, เอาไม้เท่งใส่หัวเทา้าอันหนึ่งเนี่ยแล่นส่วนหารถพัดมาขัดของทางกูที่เลี้ยสัตตัวพวกกัดออกไปโหลดในปัญหาเนี่เขาก็ต้องช่วยกันทำช่วยกันแก้ไขนอนตื่นมื่อเช้ามาอย่าทรงเจียงพยายามทำค่อ ย, อยลุกออกมาคนใด หากว่าบทหนัญญงเือเขต้องมนันน่งสร้างจังหวะแห่งแห่งนางสร้างจังหวะก่อนพอเขาลุกใหม่เลยลุกออกมามันหยักนอนแล้วบันเนี่ยมังงวงแล้วก็แต่ลางหน้าออกมาเดินจง ก, กลมพอดีได้เวลาตีะระฆังแล้วเขากลับมาตีะระฆังป้องพอเขาเดินจงกลมจุดนี้แล้วเด้บันเนี่ยเพิพร้อมกันรถคือจบพวกโตหมดกัดไม้ออกจากหนทางเารถเนี่ย มันพร้อมกันรวมพร้อมเพียงนั่นแหละเป็นโซกเป็นลาพันยิ่งรวมพร้อมเพียงควมสวยงามนี่นแหละปฏิบัติธรรมให้มันก้าวหน้าเป็นวันกันถ้าควมบ่พร้อมเพียงกันแล้วกับบ่เป็นลาบเ่เป็นโซกแล้วปฏิบัติธรรมากกับบ่ก้าวหน้าแล้วเป็นอย่างสัน้นเจงว่ามือแรงก็คือกันอาบาน้ำมาแล้วนางสร้างจังหวะาจากพักหนึง่ง แล้วกำมาเดินจมกลมมาเดินจมกลมเมื่อมาเดินจมกลมพอสมควรแล้วได้เวลาทีละครั้งแล้วเาก่มาทีละครั้งพร้อมกันแล้วก็ทำวัดทำวัดเสร็จแล้วเพิ่ก็ บ, บอกเ้าอบรมเ้าเนัเมื่ออบรมดีแล้ว ก็นำไปปฏิบัติฟังคําแนะนําเพิ่นเมื่อฟังคําแนะนําเพื่อนเราก็จาได้อันนี้เป็นโครงสร้างเบื้องนอกตัวจิตใจนั่นเราต้องพยายามเบืง้งเบิง้งจิตใจมันคิดอย่างไงก็ต้องเบิง้งมันคิดให้มันคิดดีให้มันทันเหตุการณ์ของมันอันนั้นเป็นการปฏิบัติทางจิตทางใจนี่เป็นวายอย่างตัน วุ่นจิตใจนั้นแทบบอกกันบุปผิดแล้วมันมองบ่ยเห็นมันคิดให้รู้อันนี้วาสั้นๆมันคิดให้รู้บุปผิดมันคิดแล้วให้เข้าไปในข่มคิดเด้มันคิดแล้วรู้มันคิดแล้วรู้รู้ล้ตัดทิ้งเลยอย่าไปตามผมคิดมันคิดแล้วรู้ตัดทิ้งเลยอย่าไปตามผมคิดนี่วันนี้นัมจิตสั้นเข้าสั้นเข้า เกิดญาณปัญญาวิปัญญา